สิ่งเหล่านีนะ้เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแล้วก็ไม่อยากให้สิ่งนี้ต้องพัดพลากจากไปแล้วก็อยากจะควบคุมสิ่งที่เราปรารถนาไว้ให้ได้นานแต่เราควบคุมได้แค่ไหนเราสังเกตดูไหมว่าเวลาที่เรากำลังเสวยความสุขชีวิตกำลังมีความสุขอยู่ในส่วนลึ ก, ลกเนี่ยสังเกตดูที่ใจเราเราจะมีความมิตกกังวล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 สมเวลาเราเกิดความโกรธสมมุตินะเป็นความโกรธที่มันผุดขึ้นในจิตใจเราเนี่ยเราคิดโกรธเนี่ยเพราะว่าอย่า ง, งนี้เราก็มักจะหนีมันเป็นทุกครั้งแรกแล้วล่ะเวลามันโกรธเราก็อยากจะหนีความทุกข์ที่เกิดจากความคิดยพยายามที่จะผลักไสให้จิตมันหลุดพ้นออกจากความโกรธเนี่ยนี่มันเป็นทุกครั้งที่2แล้วคิดครั้งที่2แล้วยิ่งอยากคิดให้มันออกจากความทุกข์ออกจากความโกรธ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 หรือเกิดความหลงในจิตใ จ, จเราให้เราไปพิจารณาร่างกายของเราตามที่มันเป็นจริงชีวิตจิตใ จ, จตอนที่เป็นจริงความหลงจะได้หายไปในสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ทําในสิ่งตรงกันข้ามแต่สรุปแล้วเรื่องการเจริญสติเนี่ยเราไม่ต้องไปทําอย่างนั้นก็ได้เราเพ่งอสุภะลงไปในจิตใ จ, จของเราเลยคือความคิดนึกในสิ่งที่ปนเปื้อนไปด้วยกิเลส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 โดยการมีสติมีสติรู้ลงไปที่จิตของเราเนี่ยเครื่องมือสกัดมอดของชีวิตของเรามีสติรู้ลงไปที่ความคิดได้ใจเป็นกลางๆความคิดก็จะหายหรือจะไม่หายไปก็ต้องเลือกแล้วแต่ความคิดไม่ต้องไปบังคับลองสังเกต ด, ดูอย่าไปเพ่งไปจ้องแต่คอยสังเกต ด, ดูไกล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 ความคิดยังรุนแรงขึ้นเบื้องีีก็ต้องเปลี่ยนอารมณ์นะแสดงว่าสติเรายังไม่เพียงพอนะเราต้องเปลี่ยนอารมณ์ลองมาเจตนามารู้ที่กายเคลื่อนไหวมันก็ไดนะ้กระดิกนิ้วเข้ามือพลิกมือเล่นไปมาเนี่ยเราลองมามีสติรู้ลงไปที่กายกําลังเคลื่อนไหวสบา้างเป็นการเปลี่ยนอารมณ์เนี่ยถ้าเราไม่สนใจกับความคิด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 อภินิเวสายะทำทั้งหลายอันบุคคลไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเดี๋ยลสอนที่เราปล่อยวางเนี่ยอันเนี้ยคือพระธรรมสอนอย่างนี้แหละส่วนพระสงองนี่ก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติตอนเพื่อความไม่ยึดมั่นถือมั่นปฏิบัติตอนเพื่อความปล่อยวางเนี่ยประพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็รวมลงตรงเนี้ยลงตี้ให้มีสติรู้เท่าทันความจริงแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ปล่อยวาง เพราะฉะนั้นเราสาวกปลายแถวก็ว่าได้นะเราก็ต้องมาฝึกตรงนี้มากๆฝึกที่จะไม่ยึดมั่นถึงมั่นฝึกที่จะปล่อยวางแต่จะคิดเอาไม่ได้หรอกครับท่านบุฟัน mm hmm. เราต้องมีตัวปฏิบัติมีการเจริญสติเจริญสะติไปมากๆทํทำความรู้ตัวให้มากๆเดี๋ยวก็จะเกิดปัญญารู้เท่าทันตามที่มันเป็นจริงแล้วก็ไม่ยึดมั่นถึงมั่นแล้วก็ปล่อยวาง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 ตามแนวของที่พระพุทธเจ้าท่านทาเอาไว้เพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นเนื้อหาของการฝึกตนเองฝึกจิตใจของตอนเองเพราะฉะนั้นบัณฑิตจึงเป็นผู้ที่ฝึกจิตฝึกตนเองอยู่สม่ำเสมอ